รวบรวมคำพยาในการอบรมสานุสิษ์ท่านพระอาจารย์มั่นมักจะสอดแทรกคำพยาหรือบทกลอนมาเปรียบเทยเป็นคติธรรมอุปมาอุปไมยด้วยความไพเราะอย่างยิ่งมีทั้งที่ท่านแต่งเองและเป็นของเก่าโบราณมาเช่นละเทศพระเวสสันดรชาดกบ้างกาปู่สอนหลานของท่านเจ้าคุณอุบาลีบ้าง รวบรวมจกหนังสือต่างๆที่ศิษย์ของท่านได้บันทึกไว้มารวมไว้ในที่เดียวกันดังนี้ในการออกเสียงนั้นต้องขออภัยหากออกเสียงผิดนะครับไหว้สาววายัางคงบ่อเห็นส้นลึกบ่อตื้นคําเขา่าย่อนลงกระเถิงความหมายคือการสแสวงหาธรรมนั้นถ้าเราจะสาวหา คือค้นหายิ่งหาก็ยิ่งไกลยิ่งจะไม่เห็นแต่นี่หาเข้ามาตรงที่คํำข้าวย่อนลงไปถึงนี่แหละตรงท้ำกลางอกนั่นแหละสแสวงหาธรรมจะไปนค้นหาตามแบบตามตำรายิ่งหาก็ยิ่งไกลล้วยสี่หวีจัวน้อยคือสามเณรน้อยนั่งเฝ้า พระเจ้านั่งฉันหมายความว่ากล้วยสีหวีได้แก่ธาตุสีดินน้ำไฟลมจัวน้อยนั่งเฝ้าหมายถึงคนที่โง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้เท่าทาันตามหลักของธาตุสีนั่งเฝ้าตัวเองอยู่ไม่รู้ว่าในตัวของตนนั้นมีอะไรบ้างกินแล้วก็นอน พระเจ้านั่งฉันหมายถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายที่รู้หลักความจริงอันประเสริฐเมื่อภาวนาได้ที่แล้วก็เอาท่าสีซึ่งเปรียบเหมือนกล้วยสีหวีมาพิจารณาตามหลักแห่งความเป็นจริงจนท่านเหล่านั้นสำเร็จคุณธรรมเบื้องสูงคือพระอระหันต์ท่านไม่นั่งเฝ้าอยู่เฉย หินก้อนล้านหนักหน่วงเสมอจิตเอาสโนโมาติดคือสี่สังสารกันได้บัดเฮาเอาตาซ้ายแนเบิงคือแหล่งดูคือสีหนักไปทางสโนความหมายคือจิตอันเดียวที่ไปยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าหนักหน่วงเสมอจิตใจนี่เดี๋ยวมันก็สายหาความรักเดี๋ยวมันก็สายหาความชัง มันเอียงอยู่อย่างนั้นมันไม่ตรงใจมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงให้มีสติสํารวมดูใจดูจิตขณะเราพูดจิตของเราใจของเรามันเอียงไปทางไหนแล้วถ้าเอียงไปทางความรักเอียงไปทางความชังก็ผิดทางท่านให้สํารวม ไม้ซกงกหพันง่ากระปอมกาแล่นขึ้นมือละห้อยกระปอมน้อยแล่นขึ้นมือละพันตัวไดมาบอทันแล่นขึ้นนําคู่มือมือหมายความว่าหม้ซกงกได้แก่ตัวของเรานี่แหละร่างกายของเรานี่แหละหพันง่าหมายถึงอายตนะทั้งหกนี่เองคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ กับปอมกาเทียบได้กับกิเลสตัวใหญ่คือรักโลภโกรธหลงอันแก่กล้านั่นแหละลั่นขึ้นมือละห้อยคือกิเลสมันวิ่งเข้าสู่ใจิตใจคนวันละร้อยครั้งกับปอมน้อยลั่นขึ้นมือละพันเปรียบเหมือนกิเลสที่มันเล็กน้อยก็วิ่งเข้าสู่ใ จ, ใจิตใจวันละพันครั้งตัวไดมาบอทันลั่นขึ้นนำคู่มือมือ กิเลสที่ไม่รู้ไม่ระวังก็จะเกิดขึ้นได้ทุกวันอย่างที่ว่ากิเลสพันห้าตัญหาร้อยแดนั่นแหละกวางกินบักขามป้อมไปคาคอมั่งมั่งขีออกสามือกระต่ายตายกระต่ายตายแล้วจันทร์ฟอนซ้ำผัดมาเน่าจันทร์ฟอนเน่าแล้วเห็นโอมเน่านำ หมายความว่าการที่บิดามารดานับถือศาสนาอะไรบุตรก็ย่อมจะนับถือศาสนานั้นตามถ้าบิดามารดานับถือศาสนาที่เป็นมิจฉาทิฐิบุตรก็ยึดถือตามนั้นเช่นนับถือพูดผีเทพเทวาต่างๆเป็นต้นนกเอียงกินหมากโภชัย เซาเสาเสียงบ่มีโตห้องเซาร์เสาห้องตัวเดียวเบิดหมู่หมายความว่าเปรียบเทียบคนเราทำอะไรมักจะไม่รับผิดชอบในการกระทำของตนแต่มักชอบโยนความผิดให้คนนั้นคนนี้อยู่ร่ำไปจนหาผู้ที่รับผิดชอบในสิ่งนั้นไม่ได้ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกว่าความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ผู้ยังมีกิเลสหนา ปลาแวกปลาแดกใส่ตุ้มปลาเก่ากรบโบได้ปลาใหม่กรบโบได้อาบุญย่างฮึ่พ่อออกแม่ออกมื้อวานนี้คําเหลืองสร้อยอีเป็นหอยหิห่าข้าวกล่ำเป็นข้าวพัว่วงัวสีให้ต่อควายหมายความว่าท่านเปรียบผู้เรียนรู้มากแล้วลาสิกขาออกไปเปรียบด้วยนาข้าวในนาจนจะสุกอยู่แล้ว เลยถูกนอนคอรวงกัดกินเสียหายหมดเลยไม่ได้กินศูนย์เปล่ามหับมหายไปหมายความว่าเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเหมือนที่ดามานมาล่อลวงพระพุทธเจ้าเหมือนมีตัวตนแล้วก็จางหายไปหรือเหมือนพยับแดดดูไกลเหมือนมีตัวพอเข้าใกล้ก็จางหายไป